เมื่อกี้เราก็ได้ฟังบทสวดมนต์มงคลสูตรบทนี้บทนี้ก็เป็นบทสําคัญของชีวิตประจำวันของเราเลยเริ่มตั้งแต่ไม่ครบผลพานเพราะถ้าเกิดครบผลพานปุ๊บเนี่ยก็ลากชีวิตเราไปอีกทางหนึ่งในเรื่องการครบบัณฑิตถ้าครบบัณฑิตเนี่ยดีตลอดสายหลวงพ่อปัญญาท่านก็สรุปมงคลสูตร3 8ประการเนี่ยให้สั้นๆเหลือแค่5อย่างนั่นแหละคือเหลือ คิดดีพูดดีทําดีคบคนดีสู่สถานที่ดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะสิ้นปีพวกญาติโยมก็มาวัดก็ถือว่ากำลังทำมงคลสูตรอยู่ให้เป็นความจริงเพราะมาวัดก็ถือว่าต้องคิดดีก่อนถึงมาได้นะถ้าคิดไม่ดีมาไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นวัดเนี่ยเป็นที่สถานที่ดี เป็นเขตปลอดภัยเป็นที่พักผ่อนจิตใจหลีกหนีฝาบวุ่นวายอย่างคิดดีคิดดีนี่โดยธรรมชาติแล้วคนเราเนี่ยจะคิดทางลบจะหาคนคิดดีๆทางบวกน้นนอยมากเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยยาคิดด้านลบบางครั้งอย่างพ่อแม่เนี่ยดีกับลูกนะเอาใจลูกบางครั้งมากมายเลยร้อยครั้งบันครั้ง1 0ื่นครั้งเนี่ยลูกก็จะชินชาแต่วันไหน พ่อแม่ดูด่าลูกเนี่ยลูกก็จะจำสิ่งที่ดูด่าไม่ลืมเลยเพราะธรรมชาติจิตเนี่ยจะคิดทางลบสามีภรรยาก็เหมือนกันสามีต่อให้ดีกับภรรยามากมายแค่ไหนถ้าเกิดขัดใจเธอบั น, นั้นจะได้เรื่องเหมือนกันเธอจะจำเรื่องที่ขัดใจดังั้นพวกญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อจะมองเห็นโลกตาผ่านเป็นจริงไม่ตกไปท่านความคิดถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้ตัวเองเนี่ย ความคิดสั่งเราทําอะไรเราก็ทําตามความคิดนั่นแหละชีวิตมันจะเรื่องวุ่นวายยังคิดดีอัตมาจะมีนิทานประกอบอันนี้ไม่ใช่นิทานเรื่องจริงมีสาวไต้หวันอยู่คนหนึ่งเธอเป็นโรคพิการทางสมองเธอพูดไม่ได้แต่เธอก็มีความพยายามมากนะเรียนจนสําเร็จด็อกเตอร์ที่อเมริกาเธอไม่เชื่อวหวัง เ, วเหวี่ยงค่ะเรียนจบมา มีคนเชิญเธอละไปบรรยายที่ต่างๆอยู่มวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังบรรยายนั้นก็มีนักเรียนถามขึ้นท่ากลางในที่ประชุมว่าท่านเกิดท่านรู้สึกยังไงบ้างที่เกิดมาเป็นแบบนี้ไม่รู้สึกอักอจใจบ้างหรือและท่านมองดูท่านเองอย่างไรคําถามนี้เป็นคําถามละเอียดอ่อนโคนในห้องประชุมเนี่ยตะลึงเลยเพราะกลัวเธอเสียใจเธอก็รีบ เขียนไปที่กระดาษเราตั้งหัวเรื่องว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไร 1. ฉันไม่คนน่ารัก 2. ฉันมีขาเรียวยาวสวยดี 3. พ่อแม่รักฉันจัง 4. พระเจ้าประทานความรักแก่ฉัน 5. ฉันวาดภาพได้และแต่งหนังสือได้ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักคนในห้องก็ มองไปที่เธออยู่จุดเดียวคนที่ห้องเงียบกิบเธอกวาดสายตามองไปไปที่หน้าทุกคนแล้วเธอก็เขียนสรุปว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองในสิ่งที่ฉันขาดอันนี้คือข้อสรุปเธอเธอเป็นคนพิการแต่ก็อาศัยว่ามองโลกในแง่บวกคือพิการทางกายแต่ไม่ไม่พิการทางใจแต่ก็มีคนในโลกนี้ที่ อ, อยวยชวะสมบูรณ์ แต่บางทีก็น้อยเนื้อต่ำใจบางทีพ่อแม่มีลูกหลายคนลูกก็น้อยใจทำไมพ่อพ่อแม่รักพี่มากกว่ารักน้องมากกว่าหรือแฟนไม่รักเจ้านายไม่รักบางทีก็ประชดชีวิตก็มีความคิดประหลอกบางทีเพราะเป็นไปไม่ได้หรอกทจ๊คนเรารักเหมือนกันทุกคนส่วนมากมาจากจิตใจเราเนี่ยโหยหาความรักเรียกร้องความรักจากคนอื่นเหมือนต้องการเติมให้เต็มแต่ถ้าเรา มีจิตใจที่เข้มแข็งนะเราจะไม่ได้ร้องความรักจากใครเลยเราฝากใจกับตัวเองได้คนในโลกเนี้ยฆ่าตัวตายก็เยอะประชดชีวิตก็เยอะเสียผู้เสียคนเพราะเพราะความน้อยเนื้อต่ําใจนี่แหละหรือหรือฉาคนอื่นบางทีไปรักใครไว้แล้วก็หวังว่าเขาต้องรักเราเฝ้าหวงแหนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะบางทีก็เป็นเอามากก็ฆ่าเขาก็มีทําร้ายตัวเองก็มีถ้าเราก็ต้องมาเรียนธรรมะ เพอจะไม่ให้ตกเป็นทาสของความคิดอันที่คือคิดดีคิดไม่เปรียบเทียบพอใจในสีตัวเองมีและพูดดีพูดดีนี่ก็สําคัญนะเพราะว่าพูดดีก็ต้องอาศัยจิตดีด้วยถึงพูดดีได้อย่างอัศวะจะยกนิทานชาดกให้โยมฟังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของโคนันทวิสารโคดันทวิสารเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโคพลิตสัตว์ มีพลักกำลังมากได้อาศัยอยู่กับพราหมณ์คนหนึ่งพราเดิรักเหมือนลูกเลยเพราะโคนี่มีรูปร่างสง่า ง, งามแล้วก็เรียบร้อยโคก็สงสารพราหมณ์เน่ยอยากให้พราหมณ์เนี่ยมีเงินใช้สมัยก่อนคงจะพูดกันได้ระหว่างคนกับสัตว์นะก็เลยเข้าไปเสนอบอกพ่อไปท้าเดิมพันเศษ 1, รษฐี 1,000 พกหาณะว่าโคนี่สามารถ ลากเวียร้อยเล่มให้ขยับได้เวียร้อยเล่มนี้ก็ถือว่าหนักมากนะเพราะบรรทุของด้วยซึ่งเหลือวิสัยโคธรดรดาจะขยับลากให้ไปได้เศรษฐีคงรับคําามานะพามจิไปหาเศรษฐีก็ตกลงกันแล้วก็นำโคดันทวิสารเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าเวียร้อยเล่มแล้วก็เศรษฐีก็แล้วพามก็ถือประตักอยู่ข้างหลัง แต่เพิินพาปากเสียได้ไปตะอคอกว่าไอ้โคโกงโคโง่รีบเคลื่อนเกวียนเดี๋ยวนี้เลยโคโดันที่วิศาลได้ฟังก็น้อยเนื้อต่าใจเพราะตัวเองเนี่ยไม่เคยโกงแล้วก็ไม่ใช่โคโง่ก็เลยหมดกลาลังใจไม่ยอมไม่ยอมลากไม่ยอมลากเกวียนก็เลยทำให้พามจะเสียพนัน คามกลับถึงบ้านก็เสียใจโค น, นันทวิสารก็เข้าไปปอกบอกว่าไม่ใช่ความผิดของของข้าพเจ้าเป็นความผิดของพ่อที่มาว่าข้าพเจ้าเพราะว่าเพราะว่าโค น, นันทวิสารเนี่ยเป็นโคที่สุภาพอยู่ในเรือนก็จริงแต่ว่าขับถ่ายก็เป็นที่เป็นทางและไม่เคยเหยียบอะไรหรือทําอะไรเสียหายก็เลยบอกเอางี้พ่อไปพนานใหม่ครั้งนี้เพิ่มเป็น 2 0 0พันกระหานะแต่มีงเงินขายว่าเพอะเราพูกับฉั่นดีๆนะรับรองคายชนะแน่นอนพามก็ไปท้าเด็ษฐีเดิมพันใหม่ครั้งนี้ก็พามก็พูดกับโคว่าอันทิวิสาลูกลักจงเคลื่อนเกวียนไปด้วยนะพู้รับเพาะโคอันทวิสาเนี่ยมีกำลังมหาศาลก็ลากเกวีย น, นยขยื่อนทันทีเลย และทําให้พามได้เดิมพันมาสองพันกำไรกำไรเท่าหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการพูดดีก็มีหลายคนที่ว่าตากเป็นเหตุบางทีโอกาสเหมาะแล้วแต่เราพูดจ่าไ ม, ไม่ไม่คิดไงทาร้ายน้ำใจคนอื่นก็ทําให้เสียโอกาสได้นะบางทีเสียเพื่อนก็ได้เรื่องวาจาเนี่ยนั้นก่อนจะพูดก็ต้องตั้งสติก่อนเพราะว่าเวลาพูดไปแล้ววาจาก็เป็นนายเราอะบางทีก็แก้มไม่ได้เหมือนกัน เสียเพื่อนเสียมิตรที่คบกันมาหรือขาดความเชื่อถือบางทีบางคนก็พูดเพ้อเจ้อพูดมากพูดไร้สาระแต่เราพูดดีก็พูดเรื่องดับทุกข์พูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องที่มีประโยชน์อันนี้คือพูดดีแล้วก็มาข้อที่3มก็ทําดีคิดดีพูดดีทําดีทําดีนี่ก็ถือว่าจะยากกว่า2ข้อแรกนะ2ข้อแรกเป็นแค่คิดกับพูดนะว่าทําดีนี่ต้องอาศัยการกระทำลงไปด้วย อย่าพวกโยมเนี่ยถ้าเกิดแค่คิดดีพูดดีไม่มาสุกโตก็มาไม่ถึงหรอกถ้าไม่ยไม่ไม่เอากายเนี่ยนั่งรถมาหรือไม่เดินทางมานะอันนี้คือการกระทําทําดีทําดีก็คือทําประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านแบ่งปันความสุขให้คนอื่นแล้วเราก็ได้ความสุขด้วยมีทายู่เรื่องหนึ่งมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งชายคนนี้เป็นลูกคนรวยมีการศึกษาสูงรูปหล่อมีสาวๆไชอบเยอะมากมายเลย แล้ววันหนึ่งก็โชคดียิ่งขึ้นคือพี่ชายเนี่ยซื้อรถสปอร์ตให้เป็นของขวัญชายคนนี้ก็ขับรถชมวิวไปชมวิวไปทั่วแหละรถสปอร์ตคันใหม่โก้หรูหลังจากขับจนเหนื่อยแล้วก็จอดพักข้างทางระว่างที่พักเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้ท่าทางจะสนใจรถสปอร์ตมากก็มาลู่ลู่คำคำอยู่นั่นแหละชายหนุ่มคนนี้เห็นเด็กชอบก็เกิดความภูมิใจมาก ก็เลยพูดว่าบบาๆหน่อยน้องเดี๋ยวรถไปลอยเด็กก็พูดขึ้นมาว่าโอ้โหรถพี่สุดยอดจังพี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่เนี่ยชายหนุ่มก็ตอบว่าไม่ได้ซื้อหรอกพี่ชายซื้อให้เป็นของขวัญเด็กก็ตอบว่าโอ้โหดีจังเลยผมอยากเด็กได้พูดตะกุกตะกากต้องนานชายหนุ่มก็มองว่าเด็กเนี่ยคงอิจฉาตัวเองที่มีพี่ชายซื้อรถสปอร์ตให้ แต่แล้วชายหนุ่มก็คิดผิดประเด็กพูดขึ้นมาว่าโอ้โหดีจังเลยผมอยากจะเป็นแบบพี่ชายของพี่บ้างผมจะได้ซื้อรถสปอร์ตให้น้องผมได้นั่งบ้างคพูดคำนี้ทำให้ชายหนุ่มเนะี่ยสะดุดใจเลยเพราะว่าเด็กคนนีค้คิดแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นแหะคนอื่นอยากได้อยากเป็นผู้รับเด็กคนนี้อยากเป็นผู้ให้ก็เลยชวน ไปเที่ยวกับพี่ไหมเด็กก็ออกไปผมอยากไปก็เลยขึ้นรถไปเที่ยวด้วยกันระหว่างที่รถสปอร์ตวิ่งเที่ยวอยู่นั้นเด็กก็มีความสุขนะสักพักหนึ่งเด็กก็บอกว่าพี่ไปส่งผมที่บ้านได้ไหมชายหนุ่มก็คิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยคงอยากจะนำรถหรูเนี่ยไปอวดว่าได้มีโอกาสนั่งรถหรูแต่ชายหนุ่มก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็พาไปส่งที่บ้าน คันรถจอดเนี่ยเด็กเนี่ยก็วิ่งขึ้นกระไดเลยหายไปสักพักหนึ่งก็อุ้มน้องลงมาน้องก็น้องชายตัวเล็กๆขาพิการแล้วเด็กก็ชี้ไปที่รถสปอร์ตเนี่ยโอ้นั่นไงวัดดี้ที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่ชายเขาซื้อให้เดี๋ยวภายภาคหน้าเนี่ยพี่จะซื้อให้น้องได้ชมมั่งชายหนุ่มเนี่ยเกิดขึ้นตาใจมากเลยไม่คิดว่าตัวเองจะคิดผิดแล้วมองเด็กคนนี้ผิดไป จึงเดินเข้ามา อ, มอุ้มน้องเนี่ยที่ขาพิการขึ้นมาบนรถแล้วเด็กที่เป็นพี่ก็ขึ้นตามแล้วก็ขับรถไปเที่ยวกันและชายหนุ่มก็รู้ว่าความสุขที่ยิ่งกว่าการให้คืออะไรเรามอบความสุขให้คนอื่นความสุขนั้นก็ย้อนมาหาเราอันนี้จิตที่คิดจะให้ดีกว่าจิตที่จะเอาสมมุติถ้าโยมเนี่ยไปเจอคนตาบอดกําลังขับถนนด้วยความยากลําบากเนี่ยเราไปช่วยจูงเขา หรือช่วยเห็นคนถือของหนักก็ช่วยช่วยค น, คนแก่เนี่ยเราไปช่วยเขาเราก็มีความสุขแล้วหรือเห็นเศษแก้วตกบนถนนเนี่ยแล้วเราไปกวาดหรือไม่เก็บไม่ให้คนมาเหยียบเนี่ยใจเราก็มีความสุขบางทีเลยความสุขเดี๋ยวนั้นหรือช่วยสัตว์บาดเจ็บหรือช่วยอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าต้องช่วยเดี๋ยวนั้นอะสมมุติว่าแมวกําลังจะกินตุ๊กแกหรือจิ้งจกอะยิ่งก่างเนี่ยเราเห็นเข้าเราก็รีบไปห้ามไม่ให้แมวกิน หรือเห็นสัตว์ทําร้ายกันถ้าเราช่วยเขาได้นะเราก็มีความสุขเห็นมดกําลังลุมลุมจะกัดกิ้งกืออะไรเงี้ยเราไปช่วยเขาหรือเห็นสัตว์พวกมแมลงต่างๆอยู่ในข้อหันส่วมลอยอยู่่เราไปหยิบ เ, เขาออกมาแม่เขาจมน้ําตายเนี่ยเราก็ช่วยเขาอันนี้เราก็มีฝความสุขทันทีเลยจิตที่ขี้จะให้และเมตตาเนี่ยดีกว่าจิตที่จะเอาคนที่โลภเห็นกับตัวไม่มีใครอยากพบหรอกชีวิตจะไม่ค่อยมีความสุข ไปไหนเขาแบ่นขี่หน้าแต่คนที่ใจดีช่วยเหลือคนอื่นไม่เห็นก็นตัวเนี่ยใครก็รักไปไหนใครก็ทักทายเต็ไมไปด้มิตรอันนี้เห็นได้ในปัจจุบันในชาตินะไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะชาติหน้าเราไม่รู้อะเราสามารถเช็คความสุขจากปัจจุบันได้แล้วมาเรื่องที่สี่คบคนดีคบว่นดีนี่สำคัญมากเลยนะอย่างมีบทสวดมนต์อยู่บทนึงก็คบกยามิตรที่ดีก็คบด้เจ้าแหละ ครบริจ้าเนี่ยเราก็ได้ฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาปุ๊บเนี่ยมัยนจะลากธรรมะทั้งหมดม า, มาตลอดสายเลยนะแต่ถ้าเราไปคบคนพานปุ๊บคนพานก็พูดนู่นพูดนี่ให้เราเนี่ยจิตตกเราก็จะไม่เกิดศรัทธามันก็ไปคนละทางกันชวนไปกินเหล้าชวนไปเล่นการพนานชวนไปดินทาคนชวนไปทําอะไรที่แบบไร้สาระแต่ถ้าเกิดคบบริิตเนี่ยบัณฑิตก็คุยเรื่องดับทุกข์คุยเรื่องไม่ประมาทคุยเรื่องให้ความรู้เรา แต่โดยธรรมชาติคนจะคบอดีตยากนะเพราะธาตุไม่ตรงกันคนเราคบกันด้วยธาตุปอยมันมีธาตุผักสายอย่างขี้เมาก็ไปหาคนขี้เมาคนชอบดูบุหรี่ก็จะไปหาคนชอบดูบุหรี่พวกขี้โม้ก็ไปหาพวกขี้โมโดยธรรมชาติเลยแหะจะเป็นอย่างนั้นผู้เล่นขมนานก็ไปคุยกับผู้เล่นขมานานด้วยกันเพราะถูกคอถูกใจพวกบ้ารถก็ไปคุยกับพวกรถด้วยกันเพราะว่ามันมันรู้ใจกันอะพวกเล่นเกมก็ชอบคุยกับพวกเล่นเกมเพราะคนเราคบกันด้วยธาตุ อย่างมีทีทานชาดกอยู่เรื่องหนึ่งสมัยหนึ่งมีนกแขกเต้าอยู่สองตัวพี่น้องนกแขกเต้ายัางเล็กอยู่อยู่ในรังวันหนึ่งพ่อแม่ไปหากินแล้วก็เกิดพายุได้พัดลังนกเนี่ยลอยไปในอากาศเลยนกตัวหนึงไปตกที่ลังโจนไปตกที่ดงดงอาวุธเลยพวกโจนก็ตั้งตั้งชื่อว่าอาวุธนกแขกเต้าอยู่ตัวหนึงไปตก ที่สวนดอกไม้ของฤาษีฤาษีก็ตั้งชื่อว่าบุปผานกบุปผาฤาษีก็สอนให้เป็นนักบาทสอนในเรื่องดีๆส่วนนกอาวุธพวกโจรก็พยายามยัดเยียดสิ่งชั่วร้ายให้ยัดเยียดคำหยาบความคิดที่โหดเหี้ยมความคิดที่โลภ ก, การเวลาต่อมาก็มีพระราชาโยงหนึ่งสเสด็จออกมาล่าสัตว์ เพ อ, เอิญวันนั้นแต่ล่าสัตว์จนเหนื่อยแล้วก็เกิดหลงเข้าไปในดงของโจรแต่เพ อ, เอิญโจรก็ไปอยู่วันนั้นเหลือแต่นกอาวุธกับพ่อครัวพระราชาก็นั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้อ่ะเพราะเหนื่อยนกอาวุธไปเห็นเข้าก็พูดกับพ่อครัวว่าเนี่ยชายคนนี้เนี่ยมีเครือประดับมากมายเลยเราต้องฆ่านะฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งลากศพไปทิ้ง พระราชาได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจรีบหนีเลยหนีไปจนถึงที่อยู่ของฤาษีไปเจอนกแขกเต้าบุกผาเข้านกบุปผากับผู้จาต้อนรับพระราชาว่าหิวไม้ทานอะไรมฤยยังผู้จาา่าภัยเลาะมากเลยตรงข้ามกับนกอาวุธที่มีสายปาหดร้ายป่าเทือนแล้วถามไปถามมานกบุปผาก็บอกว่านกอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกัน ไปอยู่กับโจนโจนก็เลยสอนให้เป็นโจรส่วนส่วนตัวเองนี่ไปอยู่กับฤศีฤศีก็สอนให้เป็นนกที่ดีเรื่องนี้ก็มีแง่คิดเยอะนะสอนว่าถ้าเกิดคบคนดีเราก็ดีด้วยคบคนชั่วเราก็ชั่วด้วยบางคนไม่ได้ชั่วหรอกไปคบคนผิดปุ๊บเนี่ยบางทีไปเพื่อนเพื่อน <c oughs> ค้ายาบ้าหรือแอบเอายาบาใส่ซว ย, ว ย, วยติดคุกไปด้วยก็มีหรือโดนตารวจวิสา ม, ามันไปด้วยก็มีมีหลายคนที่ซวยเพราะแบบนี้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ก่อไง แต่เพลินใจใจอ่อนไงเห็นว่าคุยถูกคอก็ครบแล้วบางทีอย่างพระก็เหมือนกันพระก็มีกิเลสไม่เหมือนกันบางคนก็ขี้เกียจทำวัดบางคนก็ตั้งใจบวชปฏิบัติธรรมบางคนก็ชอบทํางานบางทีพระใหม่ไม่รู้เราไปเจอพระเก่าที่ขี้เกียจทำวัดบางทีเขาก็ยุโอ้ทำวัดไม่ดีหรอกลําบากอย่าไปทํามันเลยแต่เขาก็ไม่รู้นะว่าการทําวัดเนี่ยเป็นการสร้างบุญกุศลมหาศาลเลย ขณะที่มาฟังธรรมเนี่ยจิตก็เป็นกุศลมาสวดสวดมนต์นนไหว้พระบางทีได้ฟังธรรมะต่างๆเนี่ยทำให้เกิดปัญญาด้วยอันนี้เป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีคนที่ขี้เกียจทำบา ร, ร์จะไม่บา ร, รมีนะต่อพันสามากแค่ไหนนะโยมก็ไม่นับถือพระด้วยกันก็ไม่นับถือบา ร, รมีก็ไม่มีเพราะบา ร, รมีต้องสั่งสมไม่ใช่ได้ไมาง่ายๆธรรมะก็เหมือนกันบวชบรรณานก็ต้องศึกษาค้นคว้าแต่เราเราเป็นคนที่ขี้เกียจ เราก็ไม่ยอมอ่านหนังสือธรรมะไม่ยอมฟังเราม่อจากครูบาอาจารย์ไม่ยอมปฏิบัติธรรมเราก็บวชแบบละเมอละเมอวันวันหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บรรษาเยอะขึ้นเดี๋ยวก็แก่แล้วอะไรอเงี้ยซึ่งก็ไร้สาระคือไม่มีคุณภาพอ่ะแต่วัดป่าสุกโตก็มีครูบาญาให้ดีมีสิ่งไว้รับให้ดีมีการมิตรที่ดีส่วนใหญ่จะเป็นคนดีนะคนไม่ดีมีน้อยมีไม่กี่คนหรอกคนกะเลวาร่าก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยมีไม่กี่คนแต่ก็ดึงขึ้นมาได้ เดี๋ยวเขาถ้าดึงไม่ได้เขาย้ายวัดไปเองเพออยู่ไปก็มีความสุขแม่ชีก็เหมือนกันถ้าเป็นคนเหลวไหลก็อยู่กับหมู่ก็ลาบากญาติโยมก็เหมือนกันเพราะว่าคนเ้าคบกับได้ธาตุอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นคนดีเพื่อนก็รักอยู่แล้วก็ภาคภูมิใจไม่ต้องหลบลี้หนีหน้าอยู่ไหนก็มีความสุขทำงานเจ้านายก็รัก ถ้าเราเป็นคนเกเรเราก็ไปกล้าสูน้นาเจ้านายต้องหลบหลีกอู้อะไรไปเลือดเปื่อยชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะขาดความมั่นใจตัวเองแล้วข้อที่ห้าสู่สถานที่ดีสถานที่ดีมันก็ขุมกว้างเหมือนกันนะอาจจะหมายถึงประเทศที่ดีด้วยก็ได้อย่างในมกุลสูตรเนี่ยสมมุติถ้าโย่ไปไปอยู่ในประเทศที่มีสงครามไปอยูใ่ในที่ก็เบียดเบียนกันหรือบางทีเราก็รับคําสอนที่ผิดอะเป็นมิจฉาทิถีก็ได้ บางครั้งไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมเวรไม่เชื่อว่ามรรคผลทิพผ่านมีอันนี้เราก็เสียยวกาดเราก็ไปรับการปลูกฝังอะไรที่ผิดมาอย่างบางที่ที่ไกลความเจริญเขาก็เชื่อลางผีนะอย่างพวกเผ่าต่างๆคนปางเนี่ยก็เชื่อบูชาผีก็มีแลระอยองคิดดูนะถ้าคนที่มิฉาทิฏฐิเดีย่ยเสียหายร้ายแรงมากเลยต้องแบบ เชื่อผิดๆไปตลอดชาตินะพอเปิชาติหน้าไปเชื่อผิดต่ออยพอเชื่อผิดปุ๊บเนี่ยมันไปคนละทางแล้วทําบุญก็ไม่ได้บุญทําบาปก็ทําได้มากขึ้นบุญนะเปรียบเหมือนกับเรือสามารถรับบาปได้มากมายเลยบาปก็คือก้อนหินน่ะบางทีถ้าเปียบนะแต่ถ้าเราเป็นสามาธิเราก็เหมือนเรือแต่ถ้าเราบิณฑ์ที่เราก็เหมือนเ ห, เ ม, เเหมือนก้อนหินโยนไปก้อนหนึ่งลงน้ําก็จมถ้าเราไปอยู่ประเทศผิดอยู่สิ่งแวดล้อมนีนผิดไปอยู่ที่ก็ทําบาปมากๆอะ่ะ การฆ่ากันเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนเปลีย น, นกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไปอยู่กับเป็นบุคคลดีถือศีลกินเจหรือพูดเรื่องธรรมะสิ่งแวดล้อมดีมันก็ดึงเราให้เราเป็นคนดีไปด้วยเพราะเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถอยู่กับเขาได้อย่างพวกโยมาวัดป่าสุกโตโดยเสียหลักความสุขจากการเที่ยวสุขสนานลื่นเริงในวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าแล้ววันสิ้นปีก็มาสวดมนต์ รับปีใหม่อีกก็ถือว่าชีวิตเป็นมงคลนะก็ถือว่ามาสู่สถานที่ดีมาทํามาสร้างบูรณาบูรสนอันนี้เป็นความคิดที่ดีมาลากมาแต่ละคนที่คิดไม่ดีนะก็คิดว่าไอ้ปีใหม่นี้ไปเมาที่ไหนดีบางทีก็ไปกินเหล้าที่ไหนดีบางทีนั่งล้อมขวดเหล้าเนี่ยได้ทั้งวันเลยหรือไปเที่ยวสถานที่เลี้งลมต่างๆเพราะว่าคนเราคิดไปเหมือนกันนะ แต่เห็นเหมือนกันในที่นี้เรามาเชื่อว่าพวกโยมน่ยคิดไม่เหมือนกันหรอกบางคนแลคิดคิดเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนสั่งสมความคิดมาสั่งสมภูมิความรู้อุนิสัยใจคอแตกต่างกันมากเลยอย่างหนังเหมือนกันพวกโยมไปชอบหนังก็ไม่เหมือนกันดิแะชอบฟังเพลงก็ไม่เหมือนกันกินอาหารก็ไม่เหมือนกันเพราะกิเลสละคนจะไม่เหมือนกันของบางอย่างอาจจะมีค่าคนนี้แต่อีกคนนึงจะไม่มีค่าเลยอาจจะไร้ค่าก็ได้สมมุติ เพลงที่โยมไม่ชอบเนี่ยโยมก็ไม่ซื้อหรอกแต่เพลงที่เราชอบเนี่ยแพงแค่ไหนเราก็ซื้อหนังเหมือนกันหนังที่เราอยากดูอ่ะบางทีเรื่องนึงสาม0ีอยเราก็ซื้อแต่ถ้าหนังเราไม่ชอบเนี่ยให้ฟรีเลยไม่เอาเลยหรือนักร้องที่เราจะไปดูอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยคนเราจะชอบไม่เหมือนกันนับถือครูบาอาจารย์ก็เหมือนถือไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็ชอบเริงรื่นอาจารย์นี้มีรีส์มีเจโตะระลึกรู้จิตใจได้เราก็ไปชอบ ก็ทำให้เนนคมำรวยมหาศาลเลยเพราะเนนคำก็ออกไปทางฤทธิ์คนก็ถวายรถบ่งรถเบนอยู่แบบสุขสําราญเลยหรือหรือคูบาอาจารย์หลายคนที่ประกาศแลามีิทธิ์ไปเฝ้าพระอินทร์ได้คนก็จะขึ้นเยอะแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะโยมก็ไม่ใเข้าเท่าไหร่นอกจากคนที่เป็นยาระดับหนึ่งเห็นว่าธรรมะดับทุกข์ได้จริงนะสามารถดับทุกข์ได้จึงมาฟังธรรมแล้วมาปฏิบัติธรรมอย่างสายหลวงเทียน อันมามองว่าสอนตรงเพราะว่าให้รู้สึกตัวไม่ให้งมงายไม่ให้ยึดอะไรต่างๆพี่ตองต่างโยมสามารถปฏิบัติทําได้ถ้าเกิดปฏิบัติถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้รู้จักความคิดหรือเห็นความคิดได้ทําให้จิตเราเปลี่ยนได้ไม่ตกไปทานความคิดเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติทําเนี่ยเวลาความคิดปรุงแต่งทางานเราก็ไม่รู้ตัวนะเราก็อยู่ในโลกความคิดอะความคิดปรุงไปเรื่องนี้เรื่องนู้นลากไปเรื่องนู้นลากมาเรื่องนี้ เรออกไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมถึงจะไม่อยู่ในรูปแบบเนี่ยเราเผือไปคิดอะไรปุ๊บเนี่ยมันมันกลับมาได้เร็วเลยปั๊บเดียวกลับมารู้สึกตัวรู้จักอารมณ์นั้นได้สมมุติกำลังจะโกรธใครเนี่ยอั๊บเดียวออกก็าหายละเพราะโกรธได้อย่างผู้ดูชนไม่ใช่โกรธไม่ไดแแ้แต่แต่มันจะไม่เหมือนกันนะอย่างอย่างคนที่ปัญญากโกรธเนี่ยแทนที่ไปทะเลาะเบาแวงกันก็าอาจจะเอาเนี่ยเอาแรงเอากำลังกายไปฝาดไ ป, ไ, ปไม้ ไปทํางานหนัหนกๆไปเลยคือทําประโยชน์แทนที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งอันนี้เขาเรียกว่าใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์ได้ความโกรธบางทีก็มีคุณเหมือนกันกทําให้เรารู้จักตัวเองรู้ว่าความโกรธน่นไม่ดีแต่ความหลงเนี่ยบางทีเห็นยากเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราจะหลงอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองหลงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้ฉาเป็นคนโลภเป็นคนเปรียบเทียบเป็นคนเห็นกั่ตัวพยาบาท อะไรต่างๆเนี่ยเพราะทุกคนจะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเวลาเราพูดพูดอะไรกันเนี่ยกิเลสมันจะปกป้องตัวเองเลยฉันไม่ใช่คนนี้ฉันเป็นคนดีนะบางคนก็ว่าตัวเองปากร้ายใจดีอะไรเงี้ยเรื่อยเปื่อยมันจะมีการป้องกันตัวแต่ถ้าเราปฏิบัติทำเป็นนานๆหรือบวชเป็นนานๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีแค่ไหนหรอกไอ้ความเสแส่งจะน้อยละมันจะไม่ค่อยป้องกันตัวล้วมันไม่รู้จะเสียแส่งไปทําไมสามารถใช้ชีวิตแบบ ทำยังไงก็ได้วันวันหนึ่งไม่ได้สนใจให้โยมมากราบไหว้มายกย่องนับถือไม่ได้สนใจรักสักการะจากโยมแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ติดรักสักการะติดสร้างภาพเนี่ยก็อยากให้โยมดูดีตลอดเราต้องอยู่ในรูปแบบเราต้องไปอาจารย์กับประฐานเราไปอาจารย์วิปัสนาเราไปครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปไหนก็ต้องได้รับความเคารพความนอบน้อมอันนี้ต้องทุกมหาศารเลยเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริง ยี่ยิงแล้วคนเราหลวงพ่อคําเขียนถ้าเป็นคนติดดินท่านก็สอนว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรบางทีหลวงพ่อไปอาจารย์ใหญ่บางทีก็ไปนอนนอนกับดินนั่นแหละบางทีท่านก็นอนใต้ต้นไม้นอนเล่นอะไระบางทีก็นอนเต็นท์ใช้ชีวิตติดดินบางทีท่านก็ทํางานเป็นกรรมกรก็มีใช้ชีวิตแบบง่ายๆดั ง, งนัเราก็ดูครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างอาจารย์ไปสาลท่านก็ใช้ชีวิตติดดินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายทํางานได้มาก เราสามารถตรวจสอบได้ครใครเป็นอาจารย์จริงอาจารย์ปลอมใครนิสัยเป็นไงต้องอยู่กันนานเรากอย่าพึ่งไปฟันธงว่าคนนี้เป็นอะไยะพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้รู้ก็ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ด้วยกันรู้ว่าศีลมีศีลแค่ไหนก็แล้ว อ, อยู่กันนานเพราะว่าบางคนพูดถือศีลแต่ปากแต่การทําไม่ใช่เลยตัวเองไม่มีศีลเลยเราพูดเรื่องหลุดพ้นแต่เราสะสมความร่ํารวยเราก็สร้างอะไรเยอะแยะบทอันนี้ก็ไม่ใช่ พูดมาเนี่ยก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอฝาก5ดีรับวันใหม่ก็แล้วกันเพราะปีใหม่มีแค่วันเดียวคือวันที่หนึ่งใชแต่วันใหม่มีทุกวัน5ดีรับวันใหม่มาก็ะท่องกรหลวงพ่อพุทธทาสให้โยมฟังก่อนหนึ่งตอนธรรมะปีใหม่ปีใหม่มีเพื่อดีกว่าปีเก่าพืชมีเง้าครบปีทวีหัวทั้งขนาด ท, ทั้งจำนวนล้วนเกินตัวแต่คนชั่วกับถอยถดดีลดลงคือปีหน้าเร็วลงกว่าปีนี้ไม่กี่ปีจะบท ด, ดีเพราะมีหลงรู้สึกตัวละชั่วก็เห็นตรงดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอ่ยขอความสุขความสวัสดีธําจงเวียญาติธรรมทุกท่าน